สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตสาวก ค, ครั้งที่สิบเรื่องชีวิตแห่งการอธิษฐานหนังสือที่ให้ความสมบูรณ์ให้เรารู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับการอธิษฐานนั่นก็คือพระกัมภีพระกัมภีนั้นเป็นหนังสือเล่มเดียวที่พระเจ้าจนใจและเราจะเห็นถึงคาอธิษฐานของหลายหลายคน ที่เป็นมันภาชนแห่งความเชื่อเขาได้อธิษฐานในคาอธิษฐานของเขานั้นกลายมาเป็นพระกัมพีครับและพระกัมพีก็ตกมาถึงเราอ่านตกพอดมาจนกระทั่งถึงทุกวนันนี้และบันทึกถึงคําอธิษฐานของพี่น้องเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นตัวอย่างกับเราในการอธิษฐานเพื่อครับในเช้าวันนี้นะครับในบทความที่ผมได้เตรียมแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องเนี่ยเขาได้นําเสนอ ชีวิตสาวกที่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานนั้น <c oughs> มีอยู่ประมาณสิบรูปแบบด้วยกันนะครับสิบประเภทด้วยกันสิบประเด็นที่มีความสำคัญมากในเช้าวันนี้เราจะอยู่ที่ห้าประเด็นแรกนะครับเรามาดูกันครับว่าชีวิตสาวกนั้นเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานจะต้องเป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานประการแรก คำอธิษฐานของเขานั้นต้องออกมาจากใจพี่น้องครับคำอธิษฐานที่ดีที่สุดออกมาจากจิตใจที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจิตใจที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในเรื่องต่างๆที่จะขอให้พระเจ้าช่วยเราเมื่อชีวิตของเรานั้นราบรื่นแจ่มใสคำอธิษฐานของเราก็จืดชืด ไม่ร้อนรนใช่ไหมครับแต่เมื่อปัญหามาถึงชีวิตของพวกเราการอธิษฐานของเรานั้นก็เข้าสู่วินาทีแห่งความปรารถนาวินาทีแห่งความเจ็บปวดและชีวิตของเราหลายหลายท่านเมื่อเข้าสู่ขั้นวิกฤตวินาทีแห่งความเป็นความตายหรือแม้ข้า่งป่วยหนักหรือทุกโศกอย่างหนัก เมื่อมีคนที่รักเสียชีวิตคำอธิษฐานของเราเองกันก็ร้อนรนเป็นคำที่กั่นออกมาจากใจจริงครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่น้องในชีวิตของพวกเรามีผู้กล่าวนะครับว่าลูกธนูที่จะพุ่งขึ้นไปถึงสวรรค์ได้นั้นต้องมาจากคันธนูที่โกงจนสุดพี่น้องครับลูกธนูที่จะพุ่งขึ้นไปถึงสวรรค์ได้นั้น ต้องมาจากคันธนูที่โกงจนสุดๆความรู้สึกที่ว่าเป็นเรื่องด่วนไม่มีใครสามารถช่วยได้ต่อไปอีกแล้วและจาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยครับเป็นที่มาของคำอธิษฐานที่ดีที่สุดพี่น้องครับหลายลครั้งทีเดียวนะครับเป็นการไม่ดีที่เราใช้ชีวิตของเราส่วนมากพยายามจะหลบเลี่ยงจากความขับสน โดยวิธีใช้ใช้วิธีธุรกิจอย่างชาญฉลาดเราพยายามจัดหาสิ่ ง, งต่างๆไว้เพื่อที่เราจะไม่ต้องขัดสนมากเพราะเราฉลาดครับเราจึงมาถึงขั้นที่ชีวิตมั่นคงทางกายภาพมีข้าวมีของต่างๆเพิ่มขึ้นและไม่ขัดสงไม่ขัดสนดสิ่งใดเลย จึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมาธรรมนิฐานของเรานั้นจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาทําไมไม่มีไฟตกลงมาจากฟ้าถ้าเราเดําเนินตามความเชื่ออย่างแท้จริงไม่ได้ตามที่ตามมองเห็นแล้วคาํามนิฐานของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงชุดและเรามีความจําเป็นต้องการสิ่งที่โปร่งเลี้ยงดูให้กับเราทุกวัน คำอธิษฐานของเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปดีขึ้นกว่าเดิมครับนี่เป็นประการแรกประการที่สองครับเงื่อนไขประการที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการอธิษฐานก็คือเราต้องเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงเราจะต้องมาคุกคลีกับพระเจ้าเราต้องมาเข้าใกล้พระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คาว่าินท a เมช นี่หมายความว่าเราต้องจริงใจครับเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าไม่น่าไหวหลังหลอกอธิษฐานอย่างหนึง่งแต่ว่าใจจริงแล้วไม่ใช่ปากพูดอย่างหนึง่งแต่จิตใจนั้นยังไม่ใสยังไม่เคลียยังไม่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าถ้าเราจะให้ประสบวความสาเร็จในการอธิษฐานนะครับเราต้องไม่ขอให้พระองค์ทำสิ่งใดให้กับเราเมื่อเราทาเองได้ เช่นเราจะไม่ขอให้พระองค์ประทานเงินนะครับในการทำโครงการกิจกรรมต่างๆของคริสเตียนถ้าเรามีเงินเหลือพี่น้องครับพระองค์จะไม่ตอบคำอธิษฐานถ้าพระองค์ตอบแล้วเราก็จะไม่ยอมใช้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเองนั้นจะต้องใช้สิ่งที่ เรามีอยู่ในขณะนันครับขอด้วยความไว้วางใจว่าสิ่งที่เรายังไม่มีพระเจ้าจะทรงประทานให้เราไม่ควรอธิษฐานว่าขอพระเจ้าสรงคนอื่นมาให้ทําสิ่งที่เราเองต้องทําผู้คนหลายพันคนอธิษฐานเพื่อชาวมุสลิมชาวฮีบรูและชาวพุทธพี่น้องครับแต่ถ้าทุกคนที่อธิษฐานนะครับเต็มใจให้พระเจ้าใช้ ในการนำกิติคุณไปถึงคนเหล่านั้นเพอเพอบางทีบอ ร, ร์ดสาจของคริสเตียนเรานะครับก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่เราจะมีกำลังใจมากขึ้นประการที่สามครับเราควรอธิษฐานอย่างง่ายๆด้วยใจเชื่อและไม่สงสัยปัญหาทางศาสนาศาสตร์จะเข้าใจได้ด้วยการอธิษฐานปัญหาในเรื่องการอธิษฐานจะทำให้จิตวิญญาณของเรามืดมัวไป การอธิษฐานก็ง่ายกว่าการจะแก้ปัญหาแต่ผู้ที่เชื่อควรจะอธิษฐานเหมือนเด็กๆที่ไว้วางใจเซนต์ออกัสซินกล่าวว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ก็ชิงเอาสวรรค์ด้วยกําลังแต่เราที่ได้เรียนรู้มากมากเกินไปมัวกับพิดถึงปัญญาเรื่องการอธิษฐานแทนที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยตรง ข้อสีครับถ้าเราต้องการอำนาจที่แท้จริงทางการอธิษฐานเราต้องไม่หวงสิ่งใดไว้จากพระเจ้าเราต้องยอมจำนนถวายตัวของเราต่อพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิงเราต้องทิ้งทุกอย่างตามพ ร, พระผู้ช่วยรอดไปพระเจ้าทรงรักผู้ที่เทอถุนพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง ประการที่ห้าซึ่งเป็นประการสุดท้ายของเช้าวันนี้และยๆครั้งครับดูเหมือนว่าคําอธิษฐานจะมีคุณค่าพิเศษเมื่อเราต้องสละอะไรบางอย่างไปคนที่ตื่นแต่เช้าเพื่อมีความสัมพันธ์กับคนที่ตื่นแต่เช้าเพื่อรับคําสอนสําหรับวันนั้นก็มีความคุ้มค่าครับมีความคุ้มค่าเพราะเหตุที่ว่าสิ่งนี้คือความสัมพันธ์ คำว่า intimacy จากข้อที่แล้วครับหมายถึงความสัมพันธ์อันดื่มด่ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดฉะนั้นผู้ที่อธิษฐานมากย่อมได้อำนาจริบอำนาจจากพระเจ้ามากํำอธิษฐานที่ไม่ไดิสระอะไรเลยย่อมไม่มีประโยชน์ครับเพราะเป็นเพียงผลของการเป็นคริสเตียนแบบฉุกเอาเผากินเท่านั้นพี่น้องครับก่อนจบในวันนี้นะครับ เราจะเห็นว่าพระคำพีร์ใหม่มักจะเชื่อมโยงการอธิษฐานเข้ากับการถือศีลอดอาหารการอดอาหารนั้นจะช่วยงานฝ่ายวิญ ญ, ญาณได้มากครับช่วยให้เกิดความคิดจฉยใสช่วยให้เกิดความการสำรวมจิตใจดูเหมือนว่าพระเจ้าจะเต็มใจตอบคําอธิษฐานเป็นพิเศษครับเมื่อเราเห็นว่าการอาธิษฐานนั้นสําคัญกว่าอาหารการกินในะครับวันนี้นะครับขอฝากไว้ห้าประการด้วยกัน ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะอธิษฐานด้วยทำง่ายๆด้วยใจเชื่อฟังไม่สงสัยเราอยากจะได้อำนาจที่แท้จริงในการอธิษฐานจะต้องไม่หวงสิ่งใดไว้จากพระเจ้าครับจะต้องปฏิเสธตัวเองลดอีโก้ของเราด้วยความถ่อมใจแน่ดูเหมือนว่าคำอธิษฐานนั้นจะมีคุณค่าพิเศษเลยครับเพราะว่าเรานั้นจะไม่เป็นคริสเตียนแบบสุกเอาเผากิน อธิษฐานแต่ไม่ทําพูดแต่ไม่ทําแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นคาอธิษฐานของเราก็จะจืดชืดครับแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะก้าวต่อไปพระเจ้าก็ส่งบทเรียนให้กับเราให้เรามีความทุกข์ยากลําบากบ้างให้เรามีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ด้วยคาอธิษฐานนี้นะครับทําให้เราเข้าสู่บทเรียนใหม่ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าและด้วยการทรงนํา ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอาเมยน